เย็นแล้วก็สวดสาธยายเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนไตรเป็นการตอกย้ำศรัทธาของเราให้มั่นคงให้ลงลึกขึ้นเรื่อยๆ เ, เหมือนต้นไม้นะที่จะเติบใหญ่ตั้งมั่นทนทานต่อแรงลมแรงพายุนะก็ต้องมีรากที่ลึก ศรนะัทธานี่ก็เป็นเสมือนกับลากนะที่ช่วยจะช่วยยึดให้เราให้จิตใจของเราสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับอุปสรรคได้โดยที่ไม่ทิ้งธรรมะหรือว่าเผชิญทุก์โดยที่จิตใจไม่หวั่นไหวนะบ่อยครั้งเนี่ยนะเวลาเจออุปสรรคเจอความทุก มีอะไรมากระทบเราก็อยากจะตอบโต้หรือว่าบางครั้งก็อยากจะหาทางหนีทางออกด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องชอบทาหรือบางทีก็ไปหาความสุขที่มันหยาบนะมากลบเกลื่อนความทุกข์บางทีก็ไปหานะเล่าไปหายาเสพติดบางทีก็ไปคอร์รัปชันเพื่อจะได้มีเงินมาปลดหนี้ สารพัดต่างๆเหล่านี้มันรู้แล้วแต่บ่งชี้ว่าจาิตใจเราไม่มัน่นคงและที่ไม่มัน่นคงส่วนก็เพราะว่าขาดศรัทธาอันนี้เมื่อเราเรารึถึงพรัสนาตตายแล้วเนี่ยนะก็ให้เรามีจุดหมายในชีวิตที่แน่วแ น, น่จุดหมายในชีวิตของชาวพุทธนะสูงสุดก็คือนิพพานนะ นิพพานนี่เรียกว่าเป็นมงคลอังสูงสุดเมื่อกี้เราก็ได้สาธยายนะมงคล38แนะแล้วก็มงคลสูงสุดในประการท้า ย, ท, ายนะที่เรียกว่าเป็นอุดมกติของชาวพุทธนะคือการทำพระนิพพานให้แจ้งนะซึ่งก็จะมีผลก็คือทำให้จิตใจสงบเย็นไม่ว่ามีอะไรมากระทบ กับตัวเราที่เรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมทั้งโลกธรรมฝ่ายบวกฝ่ายลบมากระทบกายก็ไม่ทําให้ใจหวันไหวไม่ว่าจะเป็นได้ราบเสื่อมราบได้ยศเสื่อมยศหรือว่าสารเสริญดินทาสุขทุกขสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโลกธรรม8ปดซึ่งส่วนใหญ่ก็ปรารถนาโลกธรรมฝ่ายบวกแต่ว่าไม่ประสงค์โลกธรรมฝ่ายลบ แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเพลิดเพลิพพพนยินดีในโลกธรรมฝ่ายบวกนะก็ธรรมดาที่จะต้องทุกขะทมหรือว่าวันไหวใจกระเพื่อมเมื่อเจอโลกธรรมฝ่ายลบเกิดความทุกเกิดความเศร้าแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราน ะ, ะตั้งมั่นนะเพราะว่าได้เข้าถึงพระนิพพานเป็นจิตที่สงบเย็นโลกธรรมมากระทบ มาเรียกว่ามาแปดเปื้อนนะมาถูกต้องก็ไม่ทำให้จิตใจระวันไหวนะอย่างที่นะบทส่วนเมื่อสักสครู่ก็สาธยายว่าเนะี่ยบุคคลใดก็ตามที่โล ก, กตะตรมอรรกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วนะเป็นจิตที่ไม่เศร้าโศกไร้ทุิกิเลสเป็นจิตกเกษมสารนะอันนี้แหละคือคุณสมบัตินะ หรือคุณภาพจิตนะที่ใครๆก็ปรารถนาแล้วก็อยากที่จะไปให้ถึงจึงเรียกดยได้ว่าเป็นอุดมปติของชาวพุทธน ะ, ะทุกวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ชวนให้เราหันไปเชิดชูบูชานะที่ทำให้ห่างไกลจากธรรมะและห่างไกลจากพระนิพพานมากขึ้นเรื่อยๆนะเช่นเงินทองความร่ำรวยความมั่งมีสีสุขยศถานดาศักด หน้าตาศักดิ์สิต่างๆนะยุคที่เป็นยุคบริโภคนิยมนะที่มันจะคอยดึงจิตใจเราให้เหินห่างนะจากจุดมุ่งหมายหรือตรงปฏิของชาวพุทธนะเราก็จำเป็นต้องย้ำเตือนนะจิตใจเราอยู่เสมอถ้าเราไม่ได้สวดแต่ปากนะแต่ว่าใจเนี่ยน้อมพิจารณาใจเราก็จะนะยังลึกลงไปในอ่า เส้นทางหรือกระแสพระนิพพานมากขึ้นคนเวลามีความสุขมีความเจริญในทางยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าพรั่งพร้อมด้วยโลกธรรมฝ่ายบวกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของนิพพานนะเพราะคิดว่าฉันก็มีคำตอบของชีวิตแล้วในยานนั้นเนี่ยนะจะไม่ค่อยสนใจพระนิาพพานเท่าไหร่ แต่เมื่อไดก็ตามที่เจอลกธรรมฝ่ายลบนะเจอความพัดพลาคสูญเสียไม่ใช่แค่ทรัพย์ไม่ใช่แค่แคยศหรือว่ า, าสถานะอำนาจแต่ว่าสูญเสียคนรักจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าคู่ครองก็ตามนะถึงตรงนั้นแหละนะที่จะนึกถึงนะชีวิตที่มันสงบเย็น ชีวิตที่ความโศกความเศร้าความโกรธความแค้นไม่สามารถจะครอบงำจิตใจได้แต่ว่าการนึกแค่นั้นเนี่ยมันก็ไม่พอนะมันต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่มาปฏิบัติเอาตอนทุกนะต้องเริ่มปฏิบัติในขณะที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่ในยามที่เรายังมีความพั่งพร้อมนะในเรื่องของ ทรัพย์สินเงินทองหรือว่ามีคนรักนะอยู่รอบตัวเพราะว่าเรา่องนั่นมันเป็นเพราะที่พร้อมนะที่ทําให้เรานะจะเรียกว่าไม่พะวงก็ได้ทำให้เราสามารถทิ่จะทุ่มเทนะเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยได้เข้าถึงพระนิพพานนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจเพราะว่าเราสุขสบายอยู่แล้วนะ อย่างที่หลายคนเมื่กี้พูดว่าจะเข้าวัดไปทําไมนะก็ทุกวันนี้ฉันก็สุขสบายดีอยู่แล้วเนี่ยเราได้ยินคาพูดเหล่านี้นะอยู่ บ, บ่อยๆเหมือนกับว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยนะจะต้องมีความทุกข์เสียก่อนนะจึงจะเข้าวัดแต่ในความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือต้องเจอทุกข์ผลักดันเนี่ยถึงจะหันหน้าเข้าวัดหรือว่าปฏิบัติธรรมจริงๆ จ, จ, จังๆแต่ว่าทําไมเราต้องทุกข์เสียก่อนนะ ถึงจะมาเข้าวัดถึงจะมาปฏิบัติธรรมนะทำไมในขณะที่เรายังมีความพร้อมนะสุขภาพก็ดีนะวัยก็ดีหรือว่าภารกิจการงานก็ไม่ได้ขัดขวางนะเปิดช่องให้เราได้มาปฏิบัติธรรมก็ควรซะที่จะมานะมันมีคำพูดว่าเนียมสงบนะเราฝึกยามศึกเรารบทนะหารเนี่ยถ้ามาถ้ามา ถ้ามาฝึกเอาตอนที่ศัตรูมาประชิดบ้านเมืองแล้วเนี่ยนะมันก็มีแต่แพ้สถานเดียวนะโอกาสที่จะชนะมีน้อยเราต้องฝึกในขณะที่บ้านเมืองสงบนะชั้นนั้ก็บชั้นนั้นเนี่ยนะการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยก็ควรทำในขณะชีวิตชีวิตของเรายังปกติราบเรียบนะไม่ใช่ว่าเราให้มีทุกข์เสียก่อนแล้วถึงค่อยมาอ่า เข้าหาวัดหรือปฏิบัติธรรมหรือว่ารอให้แก่ก่อนรอให้เจ็บป่วยก่อนนะสูญเสียคนรักก่อนถึงค่อยนะหันหน้าเข้าหาวัดอันนั้นอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้แต่ที่จริงก็ยังไม่สายนะถ้าหากว่าตั้งใจนะดีกว่าไม่มาเลยพูดถึงเรื่อ ง, องความความทุ่มเทอุทิศตนเนี่ยเพื่อการเพื่อเข้าถึงพระนิพพานนี่ คนสมัยก่อนนี้เขาทุ่มเทมากนะบางทีอาจจะทุ่มเทจนหน้าตกใจนะสมัยรัชกาลที่สองและรักาลที่สามเนี่ยนะนะมีคนจานวนไม่น้อยเลยนะที่เขาจิตใจเนี่ยเขามุ่งมั่นนะเพื่อไม่ใช่แค่พันธิพานเท่านั้นนะมุ่งโพธิญาณเลยคือตัดสุปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและทางลัฐหรนะือว่าที่เขาทานะ ก็คือการเผาตัวเองที่วัดอรุณเนี่ยก็จะมีมีเรียกว่าอนุสาวรีย์หรือรูปปั้นนะของคนสองคนนะเรอจะมีมากกว่านั้นนะชื่อนายนกนายเรืองเป็นคนที่มุ่งมั่นนะในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากนะไม่ใช่แค่รักษาศีลไม่ใช่แค่ให้ทานนะอย่างที่ทําทั่วไปนะแต่ว่าถึงขั้นว่า พร้อมจะอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อโพธิญาณได้และวิธีและเก่าที่ชุงเขาเนี่ยนะก็คือการนะเอาผ้าเนี่ยมาพันตัวแล้วชุบน้ำมันนะแล้วก็จุดไฟเผานะคนก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็เยอะนะแล้วก็ชื่นชมศรัทธาด้วยก็ไม่ทราบว่าตอนที่ถูกไฟเผาเนี่ย เขาดิ้นหรือว่าเขาทุรนทุลายหรือเปล่านะแต่พอตายแล้วก็มีคนสร้างรูปเขารบให้แล้วก็มีคนทําตามหรือเรียนแบบนี่อยู่หลายคนนะบางทีก็ตัดแขนมั่งนะที่ใจไม่ถึงเนี่ยจะจะอุทิศทั้งชีวิตก็ตัดแขนถวายเป็นพุทธบูชามนะั่งแล้วจนกระทั่งรายการที่สีต้องห้ามเลยนะออกประกาศห้ามห้ามเผาตัวเองเพื่อเป็นพุทธบูชานะ อันนี้เป็นความเชื่อสมัยก่อนนะว่าการอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อโพธิญาณเนี่ยก็ทําให้ได้บรรลุธรรมได้เร็วเข้าไม่ใช่บรรลุนิพพานเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียวมันมีความเชื่ออย่างนั้นนะในสมัยรัชกาลที่สองรัชกาลที่สมจนถึงรัชกาลที่สี่อันนี้ก็เห็นเลยนะว่าเขาเนี่ยมีความเรียกว่าทุ่มเทมากนะแต่ว่ามันก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะ เพราะว่าจะไปเข้าใจว่าวิธีเช่นนั้นจะทําให้บรรลุโพธิญาณได้เร็วมันมีคําพูดว่าเนี่ยสละทรัพย์เพื่ออวัยวะสละอวัยวะเพื่อชีวิตเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อธรรมะนะอันนี้ก็ไอ่ทําทให้คนไปตีความว่าเนี่ยนะถ้าจะบรรลุพระนิพพานหรือโพธิญาณ น, นี่ก็ต้องเผนะาตัวเองเลยจริงๆในในคำสอนเนี่ยนะ ที่เรียกว่าบารมีสิบเนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องทานนะที่เรียกว่าทานในระดับปรมาทบารมีนั้นทานในระดับปรมาทบารมีเนี่ยนะไม่ใช่แค่สละสิ่งของไม่ใช่แค่สละอ ว, วัยวะแต่สละชีวิตแต่ไม่ใช่สละชีวิตในลักษณะที่ว่าฆ่าตัวตายหรือว่าเผาตัวเองนะแต่สละเพื่อนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะหรือจะสละเพื่อการปฏิบัติธรรมก็ได้ นะอันนี้น่าทำมากกว่านะคือปฏิบัติธรรมจนกระ ท, งทังไม่ไม่ไม่คิดเสียดายชีวิตอันนี้ต่างหากที่ที่เป็นการสละที่ถูกต้องหรือแม่ก็สละเพื่อช่วยผู้อื่นนะอย่างในสมัยที่พระ เ, เจ้าพระองค์ียังยังเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นฤาษีเนี่ยก็เคยสละชีวิตเนี่ยเพื่อช่วยลูกลูกเสือมาแล้ว คือแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันมันคลอดลูกมาแล้วเนี่ยมันก็หิวมากนะแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรจะกินมันก็จะกินลูกของมันนะเพราพธทสัตว์เป็นฤาษีเห็นนะก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเพราะว่าผู้ติดตามที่ให้ไปหาอาหารมาให้ก็ไม่กลับมาสักทีเสือมันจะกัดลูกของมันอยู่แล้วนะก็เลยโดลงไปนะให้เสือให้แม่เสือกิน แทนเพื่อช่วยช่วยลูกเสืออย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการบําเพ็ญทานบารมีนะแต่ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายนะเป็นการช่วยเป็นการช่วยลูกเสือเอาไว้แล้วก็ไม่ใช่เป็นการใช้กรรมนะบางคนไม่เข้าใจว่าการกระทำนี้คือการใช้กรรมนะอันนี้ก็เป็นการตีความที่เรียกว่าออกทะเลไปเลยนะจริงๆก็คือการสร้างกรรมดีมากกว่าเป็นการบําเพ็ญบารมี เพราะฉะนั้นเนี่ยนะพระุพธิสัตว์เนี่ยนะไม่ว่าจะว่าแต่ลูกหรือพ่อแม่เลยนะแม้กระทั่งนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็พร้อมจะสละชีวิตให้ได้อันนี้ก็เป็นนะเป็นความเมตตากรุณาอันไม่มีประมาณนะแต่ว่าพวกเราก็ไม่ต้องถึงไม่ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่ า, อาเอาชื่องเราเนี่ยใช้เพื่อการสร้างหรือว่าการบาเพ็ญธรรม นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สวนสมควรทำแล้วนะคราวนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันก็ทําได้หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงอ่าปฏิบัติเพื่อให้ให้หมดทุกข์ให้ไกลาจากความทุกข์เนี่ยนะมันก็ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญานะปัญญาก็คือรู้ธรรมนะรู้ธรรมคือรู้สัจธรรมรู้ความจริงนะ ถ้าเรารู้ความจริงอย่างจำแจ้งนะนะจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เดือสักอย่างนะเห็นว่าสังขารนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่จะยึดมั่นถือมั่นได้้การรู้ธรรมเช้นนี้ก็ทำให้จิตเป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์นะอาจจะใช้วิธีอื่นมันก็ไม่ทำให้ให พ้นทุกได้อย่างแท้จริงนะแม้กระทั่งการสละชีวิตของนายนกในเรืองนะก็เพียงแต่ว่าเพื่อจะได้นะไปบำเพ็ญบารมีสะสมแต่สุดท้ายเนี่ยหากว่าจะบรรลุนิพพานหรือว่าจะบรรลุโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเนี่ยก็ต้องนะมีปัญญามีปัญญาเห็นธรรมมีปัญญารู้ธรรมนะจกนกระทั่งรู้ว่า มันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้แม้แต่ร่างกายนี้นะมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตนี้ก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคราวนี้เราจะรู้ทำได้อย่างไรนะการรู้ทำเนี่ยก็ต้องอาศัยวิธีการที่เรียกว่าสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานนี้ก็มี4ี่ขั้นตอนจึงเรียกสติปัฏฐาน4นะี่ รู้กายนะรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะ้รู้ธรรมเนี่ยข้อที่สีเนี่ยนะก็ถ้ารู้ไปทะลุร ป, ปรุกโปรงนะก็ทำให้พ้นทุกข์ได้ก็คือเข้าถึงพระนิพพานแต่จะรู้ธรรมได้เนี่ยถ้าจะว่ากันสั้นๆ น, นะมันก็ต้องรู้ตัวก่อนนะรู้ตัวก่อนนะอันนี้เป็นบันไดขั้นแรกเลยนะ นะการเจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยเริ่มต้นด้วยกายอนุปั ส, สนากายยุทธ์กาอนุปั ส, สนาเนี่ยนะก็สิ่งสําคัญนะก็คือการสร้างความรู้สึกตัวนะมีหลายวิธีนะแต่ว่าข้อสําคัญข้อหนึงคือการสร้างความรู้สึกตัวหรือการทําความรู้สึกวใเกิดขึ้นระู้สึกตัวนะ ในชีวิตประจําวันของเราก็ได้นะหรือรู้สึกตัวในขณะที่เร า, าเจตนาสร้างอิเลียบทก็ได้นะการทําความรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันก็อย่างที่พระเจ้าได้ได้สอนเป็นแนวทางเอาไว้นะก็คือว่าทําความรู้สึกตัวในเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังนะเหลียวหลังแลหน้าเวลาครองผ้าเวล า, าครองบาท ครองบาทครองจีวร อ, อันนี้สำหรับพระนะสำหรับนะญาติโยมนะก็คือการนะใสนะ่เสื้อผ้านะเวลาเราคู่ขาเหยียดขาเวลาเรากินดื่มลิ้มนะชิมไม่ว่าเราทำอิเลียบทใดก็ตามแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะนะก็ให้เราทำความรู้สึกตัวเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งนะเวลาหลับเวลาตื่น ให้มีความสึกตัวรู้ว่ากายทำอะไรนะแล้วก็รู้ต่อไปว่าเวลาใจมันคิดนึกนะก็รูนะ้เมื่อรู้ว่ากายทาอะไรนะนะเรียกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ยอันนี้ก็เรียกลมๆว่ารู้ตัวก็ได้นะรู้ตัวคือรู้กายรู้ใจนะคนเราเวลาทุก์เนี่ยนะเป็นเพราะไม่รู้ตัว เมื่อไม่รู้ตัวเนี่ยนะก็ปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานปล่อยให้ความโศกความเศร้านะความโกรธความแครนความหดหู่เข้ามาครอบงาใจและที่มันเกิดขึ้นได้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยก็เพราะว่านะเผลอคิดนะปล่อยใจให้ไหลไปสู่เรื่องราวในอดีตนึกถึงความพัดพาดสูญเสียก็เศร้าเสียใจ นึกถึงการกระทําที่ผิดพลาดกับคนที่เรารักก็รู้สึกผิดนะติดค้างใจหรือว่านึกถึงเหตุการณ์ที่มีคนมากันแกล้งทําร้ายเราเอาเปรียบเราทรยศหักหลังเราก็โกรธแค้นนะถ้าลองสังเกตดูอารมณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาอลอยๆมันเกิดขึ้นเมื่อใจเผลอคิดนึกไปนะในเรื่องที่เป็นอดีตบ้างหรือไม่ก็อนาคตนะ อะไรที่ยังมาไม่ถึงแต่พอนึกนะเช่นนึกถึงผลการสอบของลูกนะที่กําลังจออกมาหรือผลการตรวจของพ่อแม่ที่ไปโรงพยาบาลวิตกกังวลว่าลูกจะตกได้ไม่ได้คะแนนสอบเข้าไม่ได้หรือว่าวิตกว่าพ่อแม่จะเป็นมะเร็งนะหรือว่าวิตกเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองสถานการณ์เศรษฐกิจ คนนี้ก็ทำให้หนัก อ, อกหนักใจนะหนักเข้าก็กลุ้ม อ, อกกลุ้มใจไปหนักกว่านั้นหรือทําต่อเนื่อง ก, กลายเป็นหดถูไปเลยนะอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าใจมันเผลอคิดไปใจไม่อยู่กับปัจจุบันและที่เป็นเช่นนั้นได้่ยเพราะว่าไม่มีความรู้สึกตัวนะไม่อยู่กับปัจจุบันนะความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้เมื่อใจเนี่ยกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวนะ ใจไม่ลอยไปอดีตไม่หลไปอนาคตไม่จมอยู่ในอารมณ์นะกลับมารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวได้ก็เพราะว่ามีสตินะสตินี่มันทำให้นะรู้ทันอาการและอารมณ์นะที่เกิดขึ้นนะกับใจนะและพอใจลอยนะทำอะไรก็ไม่รู้ตัวนะยกมือสร้างจังหวะก็ ไม่รู้ว่ายกมือเดินจงกรมความรู้สึกว่าเดินมันหายไปเลยนะมันจมใจมันจมอยู่ในความคิดนะแล้วก็หลงเข้าไปในอารมณ์นะที่เกิดขึ้นจากความคิดนั้นภาวาะเช่นั้นเนี่ยเรียกว่าไม่รู้ตัวนะไม่รู้กายเคลื่อนไหวไม่เห็นใจคิดนึกนะแต่พอเรารู้ตัวขึ้นมาเนี่ยนะรู้ว่าใจเผลอคิดรู้ว่าจิตมันจมอยู่ในอารมณ์เนี่ย มันหลุดเลยนะมันหลุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความโกรธนะเพียงแค่รู้ตัวเท่านั้นแหละนะก็เรียกว่าถอนจิตออกจากอารมณ์นั้นได้นะเวลาเราเวลาเราเห็นหรือว่าเราได้ยินหรือว่าเกิดผัสสะนะไม่ว่าทางตาทางอู๊ทางจมูกทางลิ้นทางกายถ้าจิตเราตั้งอยู่บนความรู้สึกตัวหรือว่าตั้งจิตอยู่บนฐานรู้เนี่ย มันก็ไม่มีทางที่จะปรุงแต่งอารมณ์นะให้มาครอบงำใจหรือว่าอารมณ์นี่ก็ที่เป็นอกุศลก็ไม่สามารถที่จะเล่นงานจิตใจเราได้นะและการรู้ตัวนี่แหละนะเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกุญแจสำคัญนะที่จะนำไปสู่การรู้ธรรมนะพอเมื่อเราก็ตามที่เรารู้ตัวนะเรารู้เราเห็นรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวรู้เมื่อใจคิดนึกนะเราก็จะ เห็นเลยนะว่าไอความคิดและอารมณ์เนี่ยนะมันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วมันก็ดับถ้าเราไม่รู้ตัวไม่มีสตินะมันไม่เห็นนะการมาและการไปของอารมณ์เหล่านั้นการเจริญสตินะก็ไม่ได้ทําอะไรนะมากไปกว่าว่าเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นก็รู้เมื่อมันดับไปก็รู้นะรู้ว่า เอคิดไปรู้ว่ากาลังโกรธนะรู้ว่ากำลังเศร้าหรือเห็นความเศร้าไม่ใช่ว่าเอาแต่ความสงบนะสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้นะดีใจก็รู้เสียใจก็รู้นะแล้วมันไม่ได้เห็นแค่นั้นก็จะเห็นต่อไปเออไอความดีใจนี่มันเกิดแล้วก็ดับนะมันมาแล้วก็ไปนะความเสียใจก็เช่นเดียวกัน ถ้ากิดว่าเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เห็นแค่ว่ามันเกิดมันดับมันมาแล้วไปเท่านั้นนะแต่ยังเห็นต่อไปว่ามันมาได้อย่างไรมันไปได้อย่างไรมันเกิดได้อย่างไรมันดับได้อย่างไรก็คือเห็นว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้มันเกิดอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้มันดับนะเหตุปัจจัยให้มันเกิดนะพอเหตุปัจจัยนั้นดับไอ้ตัวมันก็ดับไปด้วย เช่นถ้าเราเราเราเศร้านะเราโกรธเพราะเราเผลอคิดนะในเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วเพียงแค่ความคิดนั้นดับไปไอความโกรธความเศร้ามันก็ดับไปด้วยนะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะตรงนี้แหละที่เราเริ่มเข้าสู่พรมแดนการรู้ธรรมแล้วนะก็คือเดิมทีเรารู้ตัวคือเห็นกายเกิดไหม ใ, หใจคิดนึกต่อไปเลยเห็นว่ามัน มันเกิดอย่างไรดับอย่างไรมันมาอย่างไรไปอย่างไรคือมีปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นและพอปัจจัยนั้นดับมันก็ดับไปหายไปตรงนี้แหละที่จะทำให้เราเริ่มจะรู้ธรรมแล้วก็คือว่าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันไม่มีตัวตนของมันเองนะมันต้องอาศัยหัดเพรศปัจจัยปรุงแต่ง และการที่เราเห็นว่ามันมาแล้วไปเกิดแล้วดับเนี่ยก็เห็นความไม่เที่ยงของมันแล้วก็เห็นถึงความที่ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนของมันเองนะอันนี้แหละที่ทําให้เราได้เข้าใจนะได้เห็นความจริงนะเห็นธรรมชาติของอารมณ์และความคิดเหล่านั้น mm. ก็คือว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือเป็นอนัตตา ให้การเห็นอย่างนี้แหละเห็นในแนวนี้แหละนะที่เรียกว่ารู้ธรรมนะเดิมทีเดิมแรกแรกๆเนี่ยเราเรารู้ตัวก่อนนะและความรู้ตัวนี่แหละที่มันทำให้เราได้เห็นนะอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายและใจเห็นนี่เห็นแบบไม่เข้าไปเป็นนะรู้เนี่ยก็รู้แบบรู้สื่อๆนะก็คือว่า ไม่ไม่ผลักไสในสิ่งที่เป็นลบแล้วก็ไม่ไขว้คว้าสิ่งที่เป็นบวกไอ้แค่รู้การรู้ซื่อเนี่ยรู้เฉยๆยเนี่ยมันก็เพียงพอนะที่ทำให้อารมณนะ์ที่มันเกิดขึ้นจากความคิดที่เผลอคิดเนี่ยมันดับไปไม่ต้องทำอะไรกับมันนะเหมือนกับความมืดเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรกับมันถ้าหากว่าอยากจะให้มันหายไป ก็ไม่ต้องไปทะเลาะเบาแวงอะไรกับมันก็เพียงแต่จุดเทียนนะเปิดไฟเท่านั้นแหละความมืดมันก็หายไปไอาอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะหลงความหลงเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรกับมันเราเพียงแต่สร้างตัวรู้นะหรือวความรู้ตัวให้เกิดขึ้นเมื่อความรู้ตัวเกิดขึ้นนะ หรือเมื่อตัวรู้เกิดขึ้นเนี่ยไอตัวหลงเนี่ยหรือความหลงมันก็หายไปบางคนอาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมก็รู้ว่ากโกรธนะทำไมโกรธไม่หายนะรู้ว่าเศร้าแต่ทำไมความเศร้าไม่หายนะครูบาอาจาบอกว่าถ้ารู้เฉยๆรู้ซื้อๆเนี่ยมันก็ดับไปนะแต่ทำไมมันยังอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่า สติของเราเนี่ยยังไม่แรงพอหรือว่ายังไม่มีกําลังมากพอเมื่อเหมือนกับกองไฟนะที่มันลุกโพลงขึ้นมาเราพืนฉีดน้ําฉีกเข้าไปเนี่ยนะมันดับไหมมันก็ไม่ดับนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะมันาจะไฟมันอาจจะสงบสักพักเสร็จแล้วมันก็ฟูขึ้นมาใหม่อันนี้เพราะว่าน้ําน้อยนะย่อมแพ้ไฟมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะมัน ในจิตใจของเราจะเป็นไฟก้อนใหญ่นะเพราะเราปล่อยให้มันลุกลามนะมาเป็นชั่วโมงมาเป็นมาเป็นวันเป็นอาทิตย์แล้วไอความรู้ตัวของเราเนี่ยหรือว่าการมีสติรู้ทันเนี่ยมันสติของเรายังอ่อนนะมันเกิดขึ้นประเดียวประดาแล้วก็ดับนะก็เปรียบเหมือนกับน้ําที่น้ําน้อยนะแล้ววันนั้นเนี่ยมันก็เลยนะ กองไฟที่มาลุกท่วมใจเราก็เลยยังไม่ยังไม่ไม่ดับไปง่ายๆเพื่อจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีมีสติที่บริสุทธิ์นะก็คือไม่ได้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆสิ่งที่ซ่อนเล่นอยู่ในในในตัวสติเนี่ยนะก็คือความไม่พอใจนะความรู้สึกลบนะต่ออารมณ์เหล่านั้น ธรรมชาติของอารมณ์เหล่านี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราไปต่อสู้ไปทะเลาะเบาแวงกับมันหรือว่าผลักสายมันเนี่ยมันก็ยิ่งต่อต้านนะแรงกดเท่ากับแรงต้านเวลาเรามีเวลามีความโกรธเกิดเกิดขึ้นแล้วเราพยายามผลักสายพยายามกดคมมันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเติมเชือ้อเติมไฟให้มันนันก็ยิ่งลุกยิ่งพลงยิ่งลุกยิ่งแรงขึ้น เราตั้งใจจะผลักมันกดข่มมันนะมันอาจจะดูเหมือนหายไปชั่วคาแต่ว่าเผลอเมื่อไหร่มันก็โผล่ขึ้นมาใหม่คนที่ปฏิบัติทำไว้ไปกดข่มความคิดเอาไว้อาจจะความคิดจะหายนะช่วงตอนกลางวันนะแต่ว่าพอเผลอเมื่อไหร่หรือตอนจะหลับนี่มันก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความฝันหรือบางทีทําให้ไม่หลับเลยก็ได้นะเพราะไปกดข่มมันเอาไว้ไอ้วิธีการกดข่มเนี่ยมันมันไม่ช่วยนะ แล้วยิ่งเรารู้สึกลบกับมันเหมือนกับว่าแรงเกิดแรงกดขึ้นมามันก็เกิดแรงต้านเพียงแค่ตระหนักรู้เฉยๆเนี่ยนะมันก็หายไปแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่รู้เฉยๆถึงแม้ว่าจะคิดว่าตัวเองรู้เฉยๆแต่จริงๆไม่ได้รู้เฉยๆนะมันมีมันมีตัวความรู้สึกลบต่ออารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันซ่อนนะอยู่ ขณะที่รู้สึกว่าเห็นความโกรธมันก็มีความรู้สึกอยากจะให้ความโกรธหายไปมันมีความรู้สึกไม่ชอบความโกรธนะอันนี้เราว่าไม่รู้ไม่ใช่รู้ซื่อๆนะถ้ารู้ซื่อๆเนี่ยคือมันรู้โดยใจเบนกลางๆนะไม่ได้มีความรู้สึกเกลียดชังไม่ได้มีความรู้สึกรบต่อความโกรธต่อความเศร้าหรือความเครียดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่รู้ทันตรงนี้อาจจะรู้ทันว่า รู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นในใจแต่ไม่รู้ทันอีกตัวนึงที่มันซ่อนอยู่ก็คือความไม่ชอบความโกรธนั้นความสื่อรอบต่อความโกรธนั้นงั้นถ้าเราเจริญสติเราต้องนะต้องล่วงไปให้ลึกถึงตรงนี้เลยนะไอ้ตัวที่มันซ่อนอยู่เป็นอยู่ข้างล่างหรือเป็ น, เ ป, นเป็นฐานเนี่ยไม่ใช่เห็นแค่ความโกรธนะแต่ว่าเห็นลึกไปนะถึงว่าไอ้ความรู้สึกที่ไม่ได้เป็นกลางต่อความโกรธนั้นเนี่ย นะอันนี้ต้องอาศัยสติที่ที่ที่ที่ไวนะในระดับหนึ่งนะซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั่นแหละนะจะไปหวังให้มันเกิดขึ้นเร็วก็ไม่ได้นะแต่มันต้องเกิดการปฏิบัติบ่อยๆจงนั่งสติเราไวนะไม่ใช่แค่เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นแต่ว่ายังเห็นความรู้สึกลบนะที่มีต่อความโกรธนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าอา่า เราต้องรู้ทันนะสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ข้างในใจของเราด้วยในสมัยในสมัวนการเนี่ยนะมีพระรูปหนึ่งนะชื่อพระอนุรุท ธ, ธะนะท่านเป็นศากยะนะวงเดียว ก, กันกับพระพุทธเจ้าก็เป็นเชื้อเป็นเชื้อเจ้าอ่ะนะแล้วก็ออกบวดรุ่นเดียวกับพระอนนท์แล้วก็พระเทวทัตนะ ไม่ได้ออกบวชด้วยศรัทธานะออกบวชเพราะว่าเห็นว่าบวชนี่มันสบายคือตอนเดิมที่พี่ชายตั้งใจจะบวชเมื่อพี่ชายจะบวชก็ให้น้องเนี่ยนะรับภาระดูแลนะครองราชนะเป็นอ่ดูแลบริหารบ้านเมืองพอน้องรู้ว่าภาระของภาระที่จะต้องตามมานี่มันเยอะนะก็เลยบอกว่าขอบวช ด, ดีกว่านะ เพราะว่าสบายนะบวชเพราะว่าหนีปัญหาหนีภาระแต่บวชไปบวชไปก็เกิดมีความศรัทธาในการปฏิบัติแล้วก็การปฏิบัติก็ก้าวหน้าแต่มาถึงจุดหนึ่งก็ติดตันนะคือท่านปฏิบัติจนกระทั่งเห็นจนทั่งมีตาทิพนะมีตาทิพแล้วก็สามารถที่จะเห็นหมือโล ก, กาธาตุได้ ไอ ห, หมือลกธานเนี่ยจะหมายถึงกาแล็กซีที่มันอยู่ไกลออกไปไกลโพ้นก็ได้หรือว่าคนเรมิติก็ได้ท่านก็แปลกใจว่าท่านไม่บรรลุธรรมสักทีนะยังไม่นิพพานสักทีก็เลยไ ป, ไปปรึกษาพระสารีบุตรนะซึ่งเป็นภาะคราัสาวกก็ไปปรึกษาทำนองนี้ว่าทางนางที่ขัพระเจ้าเนี่ยนะทางที่ข้าพระเจ้า มีตาชิดเนี่ยเห็นมือโลกธาตุและทั้งที่มีความเพียร น, นะไม่คลอนแคลนแต่ทําไมนะยังไม่บรรลุธรรมสักทีถามพระสายบุตรทํานองเนี่ยนะพระสายบุตรชี้เลยนะว่าที่ท่านพูดว่ามีตาทิดเห็นมือโลกธาตุเนี่ยแท้จริงเนี่ยอันเนี้คือตัวมานะมานะนี่ก็คืออีกโก้พูดง่ายก็คือ รู้สึกภาคภูมิใจว่าเนี่ยฉันเนี่ยมีตาทิพย์หรือว่าต้องการอวดต้องการแสดงความสามารถว่าเนี่ยฉันเนี่ยมีตาทิพย์นะที่ท่านผูดเช่นนี้เนี่ยนะเนี่ยมันี่ยมันคือมานะและที่ท่านบอกว่าท่านมีความขยันมันขยันไม่คลอนแคลนเนี่ยจริงจริงเนี่ยมันคือตัวฟุ้งซ่านนะคือความเพียรเนี่ยความฟุ้งซ่านนี่มันไปด้วยกันนะถ้าเพียรมากๆเนี่ยแล้วก็ที่ท่าน ถามว่าทำไมนะถึงไม่ถึงไม่บรรลุ ธ, ธรรมสักทีเนี่ยอัที่ท้ายตัวนี้แหละนะก็คือความวิตกกังวล น, นะที่ภาษาพระเลยว่ากุกกุจะนะตัวแรกคือมา้าตุวที่สองคือนะความฟุ้งซ่านนะอุทธ จ, จักรก็คือว่าแทนที่จะบอกว่าทาั้งทั้งที่ข้าพเจ้าเห็นตาทิพนะทั้งที่ข้าพเจ้าเนี่ยมีความเพียรทำไมถึงไม่บรรลุ ธ, ธรรม ที่จริงน่าเป็นว่าเป็นพ่อขัาพระเจ้าเนี่ยนะมีมานะขีว่าตรตึงตาทิพหรือว่าอยากจะหลงตนว่าตัวมีตาทิพแล้วก็เป็นพ่อฟุ้งซ่านนั่นแหละจึงทําให้ไม่ไม่บรรลุธรรมคือพระพระสายรุ้งท่านชี้ให้เห็นะว่าไอ้สิ่งที่ตัวที่ซ่อนอยู่นะในคําพูดเหล่านี้เนี่ยพระอนุรุทธะมองไม่เห็นทราอนุรุทธะท่านมองไม่เห็นว่าเนี่ยมีมานะซ่อนอยู่นะ ในคําพูดนี้มันมีความฟุ้งซ่านนะที่ซ่อนอยู่แล้วก็มีความวิตกกังวลเนี่ยที่ทําให้พูดอย่างนี้ขึ้นมาว่าทําไมถึงไม่บรรลุธรรมบอกว่าพระอนุรุธทธาเ น, นี่ท่านเก็ตเลยนะท่านเข้าใจเลยอ๋อที่แรกท่านมองไม่เห็นนะว่าไอ้ตัวมานะตัวอุท ธ, ธาจารกุจจา น, นี่มันมันซ่อนเร้นอยู่พอพระไตรปิฎพูดเนี่ยท่านเข้าใจเลยนะ ท่านเห็นเลยนะว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะที่จริงเนี่ยมันคืออุปสรรคที่ทำให้ไม่บรรลุธรรมพอท่านรู้เนี่ยท่านก็นะสามารถที่จะปฏิบัติจงกันทั่งไอ้ตัวตัวกิเลสเหล่านี้เนี่ยมันหายไปแต่ก่อนท่านไม่เห็นนะท่านไม่เห็นว่ามันคือกิเลสนะเพราะอะไรเพราะมันซ่อนอยู่นะมันซ่อนอยู่คราวนี้เนี่ย โชคดีที่ท่านได้กัลยะนานมิตรนะคือพระสายเลบุตรเนี่ยที่ท่านฉลาดมากก็ทําให้ท่านเห็นเลยนะให้ทําให้พระอนุลุธทธาเห็นเลยว่าโอ้เราเนีไอ้ที่ไม่บรรลุธรรมนี่ก็เพราะกิเลสนี่แหละไอ้ที่พูดอย่างนั้นไปเนี่เพราะกิเลสนะเพราะมานะเพราะความฟุ้งซ่านเพราะความกังวลพอรู้ปุ๊บเนี่ยการก็สามารถที่จะถอนมันออกไปจากใจได้ในหนสือก็บรรลุธรรมนะ พระสระุปไม่ได้ทํำแรงมากกว่าเชี่ยเห็นว่าอ่ามันมีกิเลสครองใจถ้าหรือมันมีกิเลสที่ซ่อนเล่นอยู่นะหรือตัวนิวรณนนะ์ที่มันรบกวนจิตใจโดยที่ท่านไม่เห็นถ้าบางทีกิเลสก็ครองใจโดยที่เราไม่เห็นนะนิวรณ์นก็รบกวนใจเราโดยที่เราไม่เห็นแล้วเราก็บ่นว่าทําไมเราไม่ไม่ก้าวหน้านะจริงๆไอการที่เราบน่นหรือพูดเช่นนั้นเนี่ยมันมันแสดงเห็นว่าเรายัง ไม่ได้มีจิตอยู่กับปัจจุบันหรือไม่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวนะใจอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็ไม่กังวล น, นะว่าจะปฏิบัติไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้ก็ก็ฝากเอาไว้นะสำหรับพวกเราที่เป็นนักปฏิบัตินะสรุปก็คือว่านะการรู้ตัวเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะมั น, นที่มันมันจะทำให้เรารู้ทำได้และถ้าเรารู้ทำแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะ พนทุกข์นะเข้าถึงนิพพานได้ความรู้ตัวเนี่ยช่วยทําให้เราหมดทุกข์ชั่วคราวนะเพราะว่าเราทุกข์เพราะเราหลงนะพอเรารู้ตัวผู้ความทุกข์ก็หายไปไม่ว่าจะเป็นความเศร้าวความโศกแต่ว่ามันก็จะกลับมาใหม่เพราะว่าเรายังไม่รู้ธรรมยังไม่ยังมีความหลงยึดในอัตตาตัวตนยังไปคิดว่าสิ่งทั้งปวงมันเที่ยงนะมันเป็นสุขอันนี้เรียกว่ายังหลงนะ คืออวิชชาแต่พอเรารู้ธรรมแล้วเนี่ยนะมันก็ไอความหลงความไม่รู้เลย ว, วิชานี้ก็หายไปเขาจะทำให้จิตเราเป็นอิสระย้ำๆหม่นสร้างความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวไว้นะแล้วมันจะก็จะเป็นปัจจัยไปสู่การรู้ธรรมนะจกนกระทั่งพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ไม่พ้นทุกข์ถาวร น, นะหรือนิพพานแต่ว่าการพ้นทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราว เพราะว่าไม่หลงไม่ลืมมันก็สำคัญเหมือนกันเอาคำนี้พูดกันเท่านี้อากราบครับ